วันนี้เป็นวันที่สิบสองิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันที่ พวกเราที่เป็นลูกๆได้มีเวลามาลำลึกถึงพระคุณอันประเสรฐของมารดาและของบิดาเพราะมารดาและบิดานั้นเป็นของคู่กันถ้ามีเพียงแต่มารดาไม่มีบิดา ก็ไม่มีลูกได้พวกเราที่เป็นลูกๆจึงต้องมีทั้งบิดาและมารดาอันนี้เราจึงมาลำลึกถึงพระคุณของมารดาและบิดาของพวกเราทุกคนพราะท่านเป็นบุคคลที่มีพระคุณอย่างสูงสุดแก่พวกเรา ท่านเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พวกเราถ้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาพวกเราก็จะเกิดกันมาไม่ได้จะไม่สามารถทำอะไรและมีอะไรอย่างที่เราทำกันและมีกันได้ในขณะนี้เราได้สิ่งต่างๆเพราะเรามีบิดามารดา ให้กำเนิดกับเราและเลี้ยงดูเราจนเติบโตขึ้นมาจนสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเราเองได้เราจึงควรที่จะลำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของบิดามารดาอยู่เสมอไม่ใช่แต่เฉพาะวันแม่หรือวันพ่อเท่านั้น อันนี้เป็นวันพิเศษที่ทางราชการได้กำหนดไว้ให้พวกเราจะได้มีเวลามาทำอะไรกับคุณพ่อกับคุณแม่แต่เราควรจะลำเลึกถึงพระคุณของคุณพ่อและของคุณแม่ตลอดเวลาคือทุกวัน โดยธรรมเนียมของชาวพุทธเราก็จะมีการกราบพระกันก่อนนอนกราบพระกันหลังจากที่ตื่นขึ้นมาการกราบพระนี่ก็ให้กราบพ่อกราบแม่ด้วยกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และกราบพ่อกราบแม่การกราบนี่ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การกราบด้วยกิริยา เป็นการกราบด้วยจิตใจเออจิตใจเราต้องน้ำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคําสอนของพระอริยสงสาวกของบิดาของมารดาการกราบและการล้ำลึกนี้เป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจไม่ให้หลงลืมสิ่งที่ มีคุณค่าต่อชีวิตของพวกเราและให้เราบูชาคุณค่าบูชาสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตของพวกเราเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเรานั่นเองดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ในมงคลสวดว่าบูชาจะบูชนิยานัง เอตัมมังกาลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตมงคลก็คือความสุขความเจริญนั่นเองผู้ใดมีการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ ดังนั้นเราจึงควรที่จะล้ำลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาไม่ควรลืมบุญคุณของบิดามารดาไปเป็นอันขาดเมื่อเราลําลึกเราไม่ลืมเราจะได้ทําการบูชาบิดามารดาการบูชาก็มีสองลักษณะการบูชาด้วยอมิตสบูชา บูชาด้วยข้าวของสิ่งของหรือดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะและการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาคือการกระทําตนให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่มีพระคุณการบูชาทั้งสองแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าการปฏิบัติบูบชา เป็นการบูชาที่แท้จริงการบูชาด้วยกิริยาคือการกราบไหว้การากราบไหว้ด้วยเครื่องสักการะนี้เป็นกิริยาเป็นการแสดงความาความเคารพนอบน้อมต่อผู้มีพระคุณแต่ยังไม่ได้กระทําการบูชาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้ รับการบูชาและผู้กระทำการบูชาถ้าผู้กระทำการบูชากระทำโดยปฏิบัติบูบชาผู้รับการบูชาก็ได้รับคุณรับประโยชน์ผู้บูชาก็ได้รับคุณรับประโยชน์ได้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้ความสุขความจเจริณ ผู้ที่รับการบูชาคือบิดามารดาก็จะได้รับคุณได้รับประโยชน์จากการบูชาของลูกๆ ก, การบูชาของลูกๆคืออย่างไรก็คือทดแทนบุญคุณของบิดามารดาตามกำลังตามความเหมาะสมตามความสามารถบูชาได้มากน้อยเพียงไรทดแทนบุญคุณได้มากน้อยเพียงไร ควรพยายามทดแทนให้มากที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าพระคุณของบิดามารดานี้ล้นฟ้าทรงตัดว่าต่อให้เราแบกพ่อแบกแม่ไว้บนไหลบนบ่าให้ท่านปัสสวะอุจจาระลดสายร่างกายเราเลี้ยงดูท่านอย่างดีไปจนวันตาย พระคุณของท่านก็ยังใช้ไม่หมดจะใช้หมดก็ต้องทำให้ท่านได้พ้นจากการไปเกิดในอบายเท่านั้นคือทำให้ท่านเป็นพระโสดาบันอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทดแทนพระคุณของพระราชบิดาและพระราชารดาพระราชารดานี้หลังจากที่ทรง ลอดเจ้าชายสิทธัตถะได้เจ็ดวัน mm hmm. ก็เสด็จสวรรคตเจ้า mm hmm. ชายสิทธัตถะมีแม่เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงดูจนเติบโตและออกบวชจนได้ตัดสรลโเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุแล้วพระองค์ก็ทรงนำลึกถึงพระคุณของ พระพุทธมารดาผู้ที่ให้กำเนิดก็ส่งค้นหาด้วยพลังจิตก็ส่งพบว่าประทับอยู่ในสวรรค์จึงส่ง ง, สงกระแสจิตติดต่อไปกับไปหาพระพุทธมารดาและได้ส่งโปรดสังสอนพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพันษา จนพุทธมรนดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันนี้เป็นการปิดประตูการของอบายพระโสดาบันนี้ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดอย่างสิ้นเชิงยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกไม่เกินเจ็ดภพเป็นอย่างมากและจะไม่ต้องไปเกิดในอบาย ถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนมีแสงสว่างเห็นทางเดินก็จะไม่เดินไปสู่อบายอย่าง้อย่างเด็ดขาดจะพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายและจะมุ่งไปสู่พระนิพพาน คือการสิ้นสุดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพของสังสารวัตนี่คือการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธมารดาถึงแม้ท่านจะจากไปแล้วพระพุทธมารดาถึงแม้จะตายไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังทรงติดต่อ ค้นหาจนพบและได้ทดแทนบุญคุณต่อผู้ที่ร่วงลับไปแล้วสำหรับพวกเราถ้าเรายังไม่มีพลังจิตที่จะติดต่อกับบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วสิ่งที่เรายังสามารถทำให้แก่บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วได้ก็คือการทำบุญทาทาน อุทิศบุญส่วนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้แก่ บ, บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วได้เผื่อท่านยังตกอยู่ในอบายอยู่ในที่ที่ยังต้องอาศัยบุญกุศลที่เราทํากันอยู่นี้ท่านก็จะสามารถมารับบุญกุศลที่เราทําและอุทิศไปให้ได้อันนี้เป็นวิธีทดแทนบุญคุณของ บิดามารดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ถ้าเราเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกมีกาลังจิตที่สามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้เราก็อาจจะสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณของบิดามารดาของเราได้และสามารถอบรมสั่งสอน ธรรมะให้แก่ บ, บิดามารดาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นี่คือในกรณีที่เรามีพลังจิตมีพลังธรรมที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้แก่ บ, บิดามารดาผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ถ้าในกรณีที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ เราก็สามารถทดแทนบุญคุณด้วยการเอาเข้าวของเงินทองไปให้ส่งเงินส่งทองไปเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับพ่อกับแม่ได้เราอาจจะต้องอยู่ทำงานอีกที่หนึง่งบิดามานดาอยู่อีกที่หนึง่งเราก็ต้องหมั่นดูแลไม่ให้ท่านตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราดูดีกินดีอย่างไรท่านก็ต้องอยู่ดีกินดีอย่างเราไม่ใช่เราอยู่ดีกินดีแต่ปล่อยให้พ่อแม่อยู่อย่างอดยากขาดแคลนเรามีอะไรก็ควรที่จะส่งไปให้ท่านควรที่จะไปเยี่ยมไปพบปะกันอย่างสม่าเสมอเพราะการที่ บิดามารดาได้พบกับบุตรธิดานี่เป็นความสุขของบิดามารดาการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเป็นการทำบุญเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือเรื่องของพระคุณของบิดามารดาที่พวกเรา ควรที่จะลำลึกกันอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ลำลึกเราอาจจะลืมได้เพราะเราจะต้องใช้ความคิดไปกับเรื่องอื่นเรื่องการทามาหากินเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆหรือเรื่องการหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆถ้าเราไม่มีมาตรการ ที่จะให้เราคอยลำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาเราอาจจะลืมบิดามารดาไปก็ได้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีเจตนาที่จะลืมบุญคุณแต่ถ้าเราไม่มีมาตรการที่จะคอยเตือนใจให้ลำลึกถึงบิดามารดาอยู่เรื่อยๆเราก็อาจจะลืมไปได้เพราะเราอาจจะต้อง วุ่นวายไปกับการทำงานการทำมาหากินเลี้ยงบากเลี้ยงท้องของเราจนเลืมบิดามันดาไปได้บิดามันดาอาจจะตกทุกข์ได้ยากแต่เราอาจจะไม่รู้เพราะเราขาดการติดต่อกันดัง mm hmm. นั้น mm hmm. เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นคนเลืมบุญคุณของพ่อของแม่ของบิดามันดา เราควรที่จะหมั่นกราบพ่อกราบแม่เสมอกราบเป็นเป็นเป็นนิสัยกราบทุกวันแล้วถ้าเป็นไปได้สมัยนี้เราสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ก็ควรจะโทรติดต่อสามสารทุกสุดเดืดกันคุยกันสองสามนาทีก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้ติดต่อกันเลย แล้วถ้าเรามีอะไรมีเงินทองพอที่จะแบ่งให้บิดามารดาได้ก็ควรจะส่งไปโดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้ท่านเดือดร้อนก่อนมีอะไรก็ส่งไปเป็นการทำบุญทำบุญกับบิดามารดานี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นปฏิบัติบูชาจะทำให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรือง ทำให้เรามีความสุขความเจริญมากขึ้นไปตามลำดับนี่คือเรื่องของวันแม่แห่งชาติที่พวกเรามาํำลึกกันมาทำคุณทำประโยชน์ให้แก่บิดามารดานอกจากเลี้ยงดูท่านแล้ว เราก็ยังต้องให้ความเคารพเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของท่านท่านพูดอะไรท่านบอกอะไรเราเราควรจะฟังด้วยความเคารพถ้าสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านบอกไม่ถูกใจก็อย่าไปแสดงอาการกิริยาไม่พอใจควรที่จะขมใจฟังไป คิดว่าเป็นการฟังเทศฟังธรรมเพราะบิดามารดาท่านมีแต่ความปรานาดีอยากให้เรามีความสุขอยากให้เราไม่ไปตกกรรมนำบากไม่อยากให้เราไปไปพบกับภัยกับโทษอะไรต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการกระทำของเราถ้าท่านเห็นว่าการกระทำของเรานี้ จะนำเราไปสู่ความเสียหายแล้วท่านว่ากล่าวตักเตือนเราควรที่จะน้อมเข้ามามาพิจารณาและปฏิบัติตามถ้าเป็นการกระทาเป็นคำสอนที่จะทำให้เราพ้นจากภัยอันตรายที่เรากำลังกำลังก้าวไปสู่ภัยอันตราย เราก็หยุดการกระทนั้นเสียเราก็อาจจะพ้นได้เช่นถ้าเรากำลังไปในทางของอบายามุขเช่นเราเดิมสุรายาเมาเล่นการพนันคบเพื่อนที่ไม่ดีเป็นมิตรเที่ยวกลางคืนเที่ยวการดูการลเล่นต่างๆและมีความเกลียดคร้าน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อชีวิตจิตใจของพวกเราถ้าบิดามารดาว่ากล่าวตักเตือนหรือขอร้องห้ามปรามไม่ให้เรากระทำเราก็ควรที่จะกระทาตามอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติบูบชาบูชาพระคุณของบิดามารดาเพราะว่าเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเวลาที่เรา ไปติดคุกติดตารางนี้บิดามารดาก็ต้องตกทุกข์ได้ยากไปติดคุกติดตารางกับเรานะเวลาเราไปติดคุกบิดามารดาก็ต้องไปเยี่ยมเราถึงในคุกนะเวลาเราตกทุกข์ได้ยากบิดามารดาก็ไม่สบายใจทุกข์ใจเสียใจไปกับเราแต่ถ้าเราทําตามที่ท่านสอนทําตามที่ท่านห้ามปรางได้ ทุกต่างๆอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็จะไม่มีเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขบิดามารดาเห็นเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็มีความสุขไปกับเราและนอนตาหลับนอนตายตาหลับเพราะไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องกังวลกับเราเห็นเราปลอดภัยเห็นเราอยู่ ดีกินดีมีแต่ความสุขแต่ความเจริญอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณเหมือนกันเพราะเป็นการกระทําที่ทําให้พ่อให้แม่มีความสุขมีความสบายใจไม่ให้พ่อแม่ทุกข์ใจไม่ให้พ่อแม่ต้องมากังวลกับชีวิตของเรากับการกระทําของเราถ้าพ่อแม่เห็นเราทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกไม่ควร เราท่านขอร้องให้เราหยุดเราก็ควรที่จะหยุดอันนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะมาตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาและเป็นการรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลไม่ให้เสียหายเราก็เป็นส่วนหนึ่งของวงตระกูลเราใช้นามสกุลของพ่อของแม่ เวลาเราทํอะไรเสียหายชื่อเสียงของวงศตกลูกก็จะต้องเสียหายไปกับการกระทําของเราด้วยการรักษาชื่อเสียงของวงศตกูลไม่ให้ด่างพร้อยอันนี้ก็เป็นการทดแทนบุญคุณอีกวิธีหนึ่งเราควรที่จะกระทําความดีต่างๆลาเวนการกระทําสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อวงะกูลต่อชื่อเสียงของวงะกูลนี่คือวิธีที่เราจะมาบูชาปฏิบัติบูชาต่อเบดามานดาให้ท่านมีความสุขให้มีแต่ความสบายใจนอกจากนั้นถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ ดีกว่านี้ได้ก็ควรที่จะทำไปเช่นถ้าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาได้แล้วสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีบูชาบิดามพระคุณของบิดามารดาอีกวิธีหนึ่งเพราะไม่แน่หลังจากที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติ เราก็อาจจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงได้และเราก็อาจจะสามารถเอาคำขั้นสูงนี้มาสั่งสอนพ่อแม่ได้ช่วยให้พ่อแม่พ้นจากกรบายหดืช่วยให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ช่วยพระราชบิดาให้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จออกบวชไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรม mm. ก็จะไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีวิชาความรู้ที่จะเอามาสั่งสอน ให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สละราชสมบัติได้ออกไปศึกษาออกไปปฏิบัติธรรมและได้บรรลุเป็นพระอหรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็สามารถสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่บิดามารดา และบรรดาญาติพี่น้องได้เป็นอย่างมากและนอกจากนั้นก็ยังสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราได้อย่างมากมายมหาศาลและเป็นเวลาอันยาวนานพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่มาจนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว พระคุณของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้าได้สะละได้สมบัตรได้ออกบวชได้บรรลุ ธ, ธรรมได้นําเอาธรรมอันอันอันประเสริฐมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราก็จะไม่รู้เรื่องของธรรมเรื่องของคุณงามความดีต่างๆเราก็อาจจะอยู่แบบ คนที่ไม่มีศาสนาคนที่ไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้นรกรู้สวรรค์ไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องของการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะอยู่กันไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนแต่พอมีพระพุทธเจ้าได้เสียสละ ความสุขทางโลกแล้วสเสด็จออกบวชได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงนําเอาความรู้ที่ได้ทรงค้นพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้อื่นที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า พอน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ได้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอีกต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสั์โลกทั้งหลายก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันจะต้องมาเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพาดจากกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวได้ส่งเสียสละความสุขส่วนตัวความสุขของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแล้วไปอยู่แบบทุกข์ยากลําบากในสภาพของนักบวชจนในที่สุดก็ได้ ตัดสรุพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทรงทำประโยชน์ให้แก่สัตว์นกได้อย่างมหาศาลได้อย่างมากมายตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีพระองค์มีมีภารกิจอยู่ห้าประการที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจประจำวันทรงสั่งสอนยาติโยมในตอนบ่าย ในยามค่ำก็สั่งสอนภิกษุษสามเณรยามเด็กก็ท่งสั่งสอนเทวดาในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็ส่งแรงยานดูว่าจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วก็ออกบินทบาทนี่คือเป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ ทุกวันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของพระองค์เลยเพราะประโยชน์ของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทําถึงพร้อมแล้วความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าได้พบอย่างเต็มร้อยแล้วมีความสุขเต็มร้อยแล้วมีความเจริญเต็มร้อยแล้ว ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำประโยชน์ให้กับพระ อ, องค์เองอีกต่อไปเวลาที่เหลืออยู่เป็นเวลาที่พระ อ, องค์ทรงอุทิศให้แก่การทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราจึงเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมากเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีพระธรรมคำสอนเราจะไม่มีพออาระอรหันตาสาวก ที่จะมานําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราพวกเราถ้าอยากจะทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องมาทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาบูชาคําปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก่อนที่เราจะปฏิบัติเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำอะไรกันเมื่อหลังจากที่เรารู้แล้วว่าทรงสอนให้กระทาเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องปฏิบัติได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับ เมื่อเราได้บรรลุถึงผลที่ขั้นสูงสุดแล้วเราก็สามารถที่จะนำเอาผลที่เราได้รับนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งเพื่อที่เราจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปศาสนาพุทธของพวกเราที่มีอายุมาถึงสอง0ันห้าร้อกว่าปีนี้ มาได้ก็เพราะว่ามีการปฏิบัติบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้านี้เองคือมีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัต ตรงปฏิบัติเพื่อให้การดูดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นผลที่จะตามมาเมื่อได้บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานแล้วก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปเพื่อผู้อื่นจะได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติได้บรรลุธรรมและได้และได้ถ่ายทอดถือทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปถ้ามีการบูชาปฏิบัติบูบบชาต่อพระพุทธเจ้าในรูปแบบนี้ พระพุทธศาสนาของพวกเรานี้จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปเรื่อยๆจะไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นดังนั้นพวกเราจึงควรที่จ ะ, ะสนใจต่อการปฏิบัติบูบชาต่อบุคคลที่สมควรแก่บูชาเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบิดามานดา บิดามานดาเราก็ปฏิบัติไปตามกำลังของเราตามฐานะของเราถ้าเรายังเป็นเพศคารวาสอยู่เราก็เลี้ยงดูท่านไปมีเงินทงมีข้าวของอะไรก็แบ่งให้ท่านใช้ให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายเหมือนกับเราอยู่แต่ถ้าเรามีความสามารถที่จะออกบวชได้ เราก็ยังสามารถที่จะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้อยู่เราแต่ทดแทนในอีกรูปแบบหนึ่งทดแทนในเรื่องธรรมะให้ธรรมะแทนที่จะให้ข้าวของเงินทองถ้าเราบวชเราก็จะมีธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงฉะนั้นเราอย่าไปกังวลว่าเราจะไม่ได้ทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดา ถ้าเราออกบวชเราจะไม่ได้เลี้ยงดูเบดามันดาถ้าเราบวชถ้าเป็นพระนี่พระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้อาหารที่ได้มาจากบนทบาทนี้ให้แบ่งเอาไปให้พ่อให้แม่ได้โดยที่ไม่ต้องเอามาแบ่งให้กับพระก่อนแต่ถ้าเป็นคนอื่นนี่ ต้องเอามาแบ่งกับพระก่อนแล้วถึงถ้ามีเหลือก็ค่อยเอาไปแบ่งให้คนอื่นต่อได้แต่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นี้ทรงอนุญาตให้เอาไปแบ่งให้ได้เลยดั mm hmm. ยงนั้นถ้าเราคิดว่าการออกบวชจะทำให้เราไม่สามารถทดแทนบุญคุณให้แก่พ่อแม่ได้นี้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะเรายัางสามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้อยู่ ลาบสั ก, การะที่เราได้มาเราก็สามารถแบ่งให้พ่อให้แม่ได้ถ้าพ่อแม่ทุกข์ยากเดือดร้อนนำมาไปเลี้ยงดูท่านให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าท่านไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้ช่วยตนเองได้ต้องอาศัยการช่วยเหลือของลูกๆเราก็สามารถที่ยังจะทดแทนบุญคุณได้นอกจากทดแทนบุญคุณในเรื่องข้าวของเงินทองแล้ว เราอย่างจะสามารถทดแทนในเรื่องของธรรมะให้ได้ให้อีกด้วยซึ่งเป็นการทดแทนที่ดีกว่าการทดแทนด้วยข้าวของเงินทองถ้ามีธรรมะท่านก็อาจจะมีหูตาสว่างขึ้นอาจจะเชื่อนรกเลื่เชื่อสวรรค์เชื่อบุญเชื่อบาปถ้าไม่เคยเชื่อมาก่อนพอได้ยินได้ฟังธรรมะจากลู ก, ลก หลังแล้วก็อาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาไม่เคยเข้าวัดเข้าวา่าก็จะเข้าวัดเข้าว่าอย่างต่อเนื่องอย่างพ่อแม่บางคนนี้พาลูกมาบวชลูกมาบวชพ่อแม่ก็เลยต้องตามมาวดัดเพราะว่าเวลาบุลูกเข้าวัดพ่อแม่ก็เป็นห่วงก็จะมาวัดเอาอาหารอะไรมาถวายพระ ก็จะมีโอกาสได้เข้าวัดถ้าลูกไม่ได้บวชนี่พ่อแม่ก็จะไม่ได้มาวัดไม่ได้มาทำบุญไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่ได้รับคุณประโยชน์แตนะ่พอลูกมาบวชนี่พ่อแม่ก็เลยต้องเหมือนกับมาบวช ด, ด้วยนะแล้วบางครีหลังจากที่ลูกศึกไปแล้วพ่อแม่กลับมาวัดอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านั้นตอนที่ลูกยังไม่บวชไม่ค่อยได้มาวัดเลยเพราะให้ความสำคัญต่อการทำมาหากินหาเงินหาทองหาความสุขทางโลกมากกว่าการมาหาความสุขทางธรรมก็เลยไม่มีเวลามาวัดกันแต่พอลูกมาบวชก็เลยตามมามาดูแลลูกก็เลยได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษา พอทำคาสอนของพระพุทธเจ้าพอหลังจากได้ศึกษาแล้วได้ลองนำเอาไปปฏิบัติก็ได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติทําให้มีความสุขมีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ความกังวลใจน้อยลงไปโดยทําให้มีความศรัทธาที่อยากจะศึกษามากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นหลังจากที่ลูกศึกไปแล้ว ก็ยังมาที่วัดอย่างต่อเนื่องออันนี้ก็เป็นอนิสงค์ของการที่ลูกมาบวชเนีย่ยงั้นการที่เราเป็นลูกแล้วมาบวชนี้ไม่ได้เป็นโทษตอบบิดามารดาแต่อย่างใดเป็นคุณเป็นประโยชน์เรายัางสามารถทดแทนบุญคุณให้กับบิดามารดาได้และอาจจะทําให้ท่านได้รับธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณมี ประโยชน์มากกว่าเข้าของเงินทองอีกเพราะเมื่อเรามาวัดท่านก็จะมาวัดท่านก็จะได้มาฟังเทศฟังธรรมอาจจะไม่ได้ฟังจากเราเพราะเรายังเป็นผู้บวชใหม่เรายังไม่มีความรู้ทางธรรมะแต่เราก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนธรรมะให้แก่ญาติโยม พอยาดยมเช่นบิดามารดาได้มาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรม <c oughs> ก็จะเกิดก็จะได้ดูถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปเพื่อสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นมาภายในใจพอได้ทดลองนำเอาไปปฏิบัติก็ได้เห็นผลก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เกิดความวิริยะอุตสาหะที่จะเพียนพยายามปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆและอาจจะทําให้ท่านได้หลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายก็ได้ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่มีเป็นพระอาริยบุคคลมีธรรมที่ประเสริฐได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะสามารถบรรลุถึงอริยมรรคอริยผลได้เพราะการบรรลุนี้ก็อยู่ที่ศรัทธาความเชื่อที่จะน้อมนําเอาคําสอนอันประเสริฐนี้ไปปฏิบัติเนี่ถ้ามีการปฏิบัติแล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะต้องเป็นิผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นการ การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาบรรลุด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมจากผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายผู้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องพอ น, นำมาวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกตั้งนี้ไปปฏิบัติผลก็จะต้องปรากฏขึ้นมา เราจึงมีพระพุทธศาสนามาอยู่จนถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นสวากขาโตภะวะตาธมโมเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วเป็นธรรมที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้าทำอย่างนี้ผลก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้ารักษาศีลถ้านั่งสมาธิถ้าเจริญปัญญาได้ การบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนจึงมีการศึกษามีการปฏิบัติและมีการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนามาอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบันนี้และจะมีต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรม อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้กระทํามาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นการบูชาบุคคลที่สมควรกับการบูชาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ะจะทําให้ผู้ที่กระทําการบูชานี้ได้รับประโยชน์ และผู้ที่รับการบูชาก็ได้รับประโยชน์เช่นบิดามารดาก็จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติบูบชาของลูกๆนี่คือเรื่องของการมาสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราด้วยการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาคือการปฏิบัติบูบชา ถ้าเป็นบิดามารดาก็ให้ความเคารพนับถือให้ความเชื่อฟังแล้วถ้ามีข้าวของเงินทองก็แบ่งให้บิดามารดาถ้าบิดามารดาไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้ก็ต้องเลี้ยงดูท่านให้ดีให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้ามีธรรมะคําสอนของพ่อพรธเจ้าก็เอามาให้ท่านได้ศึกษาได้ยินได้ฟัง ถ้าท่านจะสนใจแล้วปฏิบัติท่านก็จะได้รับประโยชน์จากธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าส่วนการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือการบูชาด้วยการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน ให้เรารักษาศีลให้เรานั่งสมาธิให้เราเจริญปัญญากันเพื่อที่เราจะได้กาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปคําสอนของพระพุทธเจ้านี้นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในโลกนี้ถ้าไม่มีคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ฟังแล้วนึกย่าที่เราอาจจะคิดว่ามันง่ายเหลือเกินทำเพียงสามข้อเท่านั้นทำไมไม่มีใครรู้มาก่อนได้ออยังไงเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ความจริงแล้วไม่มีใครรู้รู้ก็รู้ไม่ครบก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรนี่ไม่มีใครรู้เรื่องทางปัญญารู้เพียงแต่ศีลรู้เพียงแต่สมาธิรู้ทีรู้วิธีดับความทุกข์ชั่วคราว ด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแต่ไม่รู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยอย่างถาวรด้วยปัญญามีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สรงคนพบวิธีที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวร ที่จะทําทให้จิตใจนี้ไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปปัญญาอันนี้แหละเป็นของที่หายากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบปัญญาอันนี้ปัญญานี้คืออะไรก็คือการรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ เกิดจากตัณหาความอยากสามประการด้วยกันคือกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้สัตว์โลกต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอย่างนับไม่ถ้วนอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่แทนที่สัตว์โลกจะรู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ ต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายยางไม่มีวันสิ้นสุดกลับไม่รู้กันกลับไปคิดว่ามันเป็นต้นเหตุของความสุขกันกลับไปคิดว่าถ้าไม่มีความอยากเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่อยากไปเที่ยวเราจะไปเที่ยวได้อย่างไรถ้าไม่อยากจะมีเงินมีทองจะมีเงินทองได้อย่างไรก็ๆๆเลยไม่รู้ว่าความอยากเหล่านี้เป็นตัวที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจเกิด การเวียนว่ายตายเกิดกันแทนที่จะทำลายมันกับส่งเสริมมันด้วยการทำตามความอยากกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเวลาได้ทำตามความอยากแล้วมันได้ความสุขนั่นเองแต่ไม่ได้มองถึงเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้ดังใจอยากว่าเป็นอย่างไรหรือสูญเสียสิ่งที่อยากได้มานั้นเป็นอย่างไรไม่ได้เห็นว่าความทุกข์ที่จะตามมาต่อมา ที่เป็นผลต่อเนื่องจากการไปกระทำตามความอยากนี่ว่าเป็นความทุกข์นี่มองไม่เห็นเห็นแต่ผลที่ได้รับในขณะที่ได้ทำตามความอยากว่าเมื่อได้ทำแล้วทำให้มีความสุขอย่างยิ่งน่จึงแทนที่จะมาหยุดความอยากกลับต้องกลับมาส่งเสริมความอยากกันอยากได้อะไรก็ไปหากันอยากทำอะไรก็ไปทำกัน เพราะเวลาทําแล้วเวลาได้แล้วมีความสุขกันแต่ไม่คิดถึงเวลาที่อยากแล้วแต่ไม่สามารถทําได้หรือหามาได้เวลานั้นจะเป็นอย่างไรไม่คิดกันหรือเวลาที่สูญเสียสิ่งที่ได้มาแล้วไปนี่จะมีความรู้สึกอย่างไรเพราะมองไม่เห็นอนิจจังของความไม่ เที่ยงแท้แน่นอนของความไม่ถาวรของสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราที่ได้มาด้วยความอยากว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดไปหรือได้อยากได้แล้วแต่ก็ไม่ได้ดังใจอยากเพราะมันก็ไม่มันไม่ได้เป็นของที่แน่นอนเสมอว่าเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้เสมอไป มองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมองไม่เห็นอนัตตาการที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมสิ่งต่างๆบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความอยากของพวกเราได้มองไม่เห็นอันนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มองเห็นอันนี้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราได้จากการกระทำความอยากของเรานีนมันเป็นของชั่วกราว มันจะจากเราไปเมื่อไหร่มันจะหายไปเมื่อไหร่หมดไปเมื่อไหร่เราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้้ลยเวลาเราอยากได้อะไรก็ไม่สามารถที่จะสั่งให้มันได้เสมอไปบางทีสั่งอยากแล้วไม่ได้ก็มีพอไม่ได้ก็ทุกข์ทรมานใจก็ไม่รู้ว่านี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ทุกข์เป็นตัวที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย นี่คือปัญญาที่นานๆจะเกิดขึ้นมาให้ได้โลกเป็นที่พึ่งของโลกสักครั้งหนึ่งก็คือปัญญาในอริยสัจสี่ว่าความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตัณหาความอยากสามประการคือกามาตัณหาภาวตัณหาวิภวตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้า ไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องไม่ไ ม, ไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้และการที่จะไม่มีความอยากทั้งสามประการนี้ได้ก็ต้องเห็นอนิจจังเห็นอนัตตานัน่นเองเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นนเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวไม่มีใครในโลกนี้รู้ความจริงอันนี้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถ รู้ได้ด้วยตนเองนอกนั้นนี้ต้องรอให้พระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาสั่งสอนมาบอกให้รู้เท่านั้นเองถึงแม้เวลาบอกให้รู้แล้วบางทีก็ยังฟังไม่เข้าใจนี่นี่คือความทึบของปัญญาของสัตว์โลกอย่างพวกเราอย่าว่าตาให้หาความจริงอันนี้ว่าด้วยตนเองเลยหาหาอริยสัจสีหาตายรักด้วยตนเองเลย แม้มีผู้ที่เอาอริย า, าสตรสีเอาไตารลักษ์มาสั่งมาสอนแล้วก็ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะไปค้นหาค้นพบได้ด้วยตนเองได้อย่างไรคนที่จะเข้าถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าได้นี้ท่านถึงเรียกว่าต้องเป็นวินยูชนเท่านั้นเป็นคนฉลาดจริงๆถึงจะเข้าใจความหมายของอริยศาสตร์สีเข้าใจถึงความหมายของไตรลักษ์ว่าเป็นอย่างไรถ้าผู้ใดเข้าใจ ถึงความหมายของอริยสัจสีความหมายของตายลักษณ์ก็จะสามารถกำจัดตัณหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่เข้าใจก็ยังจะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจกำจัดการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้ดังนั้น ถ้าเราได้มาพบกับปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เราควรที่จะถามก็คือมันศึกษาบ่อยๆมันพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆฟังหลายๆครั้งฟังบ่อยๆเพราะการฟังครั้งเดียวยังอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าได้ฟังหลายๆครั้งด้วยกัน ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับและวันหนึ่งก็อาจจะร้องอ๋อขึ้นมาร้องอ๋อว่าความทุกข์ของเรานี้การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามประการนี้เองพอรู้แล้วเราก็หยุดมันหยุดมันด้วยการรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่ได้นำไปสู่ความสุขมันนาเราไปสู่ความทุกข์เมื่อเรารู้ว่ามันเป็น การนำไปสู่ความทุกข์เราจะไปทำตามความอยากทำไมทาแล้วต้องมาล้องห่มล้องห้ททำไมอยากแล้วแล้วต้องมาล่องห่มล้องห้ยมาเศร้าโศกเสียใจทำไมก็ตัดความอยากเสียดีกว่าอย่าไปทำตามความอยากอพอไม่ทาตามความอยากจิตก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะความอยากก็จะหมดกำลังไปจะไม่กลับมาก่อกวนสร้างความทุกข์ให้แก่ใจอีกต่อไป จะไม่มาฉุดกใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือการปฏิบัติบูบชาถ้าเราปฏิบัติศึกษาศีลสมาธิปัญญาแล้วปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาตมาม ท, ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายปฏิบัติได้เราก็จะได้บรรลุถึงพระนิพานกันได้สิ้นสุดกลองการเกิดแก่เจ็บตายสิ้นสุขของความ ทุกทั้งปวงอันนี้เป็นบานปฏบิบัติบูชาที่สูงสุดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถนําธรรมะที่เราได้บรรลุถึงนี้มาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเช่นบิดามารดาถ้าท่านสนใจถ้าท่านต้องการปฏิบัติเราก็จะสามารถสั่งสอนให้ท่านได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้กระทําต่อบิดามารดาของพระ อ, องค์เอง จึงขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติบูบชากันทั้งในรูปแบบของผู้ที่คลองเรือนและในรูปแบบของผู้ที่ออกบวชแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้ปฏิบัติบูชาต่อบุคคลที่สมควรแก่แก่การบูชาที่จะนําความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปปกปปติเอชิตังปัติตังตุมหังคิปาเมวะสะเมจโตสาเพปุระนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยธาโมนิโชติหระโสยธาสัีติโยวิวาจานตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุฒาปจายโน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 งดตอบคำถามใครอยากจะถามเชิญเข้ามาถามได้มีไมโครโฟนหรือถ้าไม่อยากจะพูดอย่าเขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้เชิญเลยก่าลับส ก, การ์พระคุณเจ้านะครับเออที่วันนี้พระอาจารย์เทศเกี่ยวกับการออทดแทนบุญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ พระคุณพ่อแม่เออพระพุทธองค์เนี่ยได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่โดยเฉพาะพุ ท, พทธมารดาในขณะที่ท่านไปเป็นเทพอยู่ชั้นดุสิตแล้วก็ลงมาฟังธรรมในขณะที่พระพุทธเจ้าส่งกระแสจิตไปแสดงธรรมที่ดาวดึ ง, งนะครับจนบรรลุโสดาบันส่วนพุทธบิดาเนี่ยก็บรรลุธรรมก่อนสิ้นเจ็ดวัน ตอนที่ท่านได้ตัดสรุปเนี่ยที่ผมอ่านพุทธประวัติทราบว่าบุคคลกลุ่มแรกที่ท่านจะไปแสดงธรรมเพื่อให้บรรลุเนี่ยก็คืออุทกดาบดกับอารันดาบดซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนฌ<ม>านสมาธิกับท่าน น, น, นะครับ<ม>แต่ท่านก็อุทานว่าเสียดายไม่ทัน<ม>เพราะว่าครูอาจารย์ได้สิ้นแล้วเนี่ยผมจึงสงสัยว่าเทพเทพอย่างพุทธมารดาท่านยัง โปรดแสดงธรรมจนบรรลุได้ออืแล้วพรมในโลกียสุขเนี่ยซึ่งครูบาอาจารย์ท่านไปเป็นพรมนะครับออืทําไมจึงบรรลุธรรมไม่ได้หรือไปโปรดแสดงธรรมให้ครูบาอาจารย์ฟังไม่ได้ครับเพราะติดต่อกันไม่ได้พรมนี่เขาเข้าอยู่ในสมาธิอยู่ในฌาน<ม>เขาไม่ออกมาทางรูปเสียงกลิ่นรสนะอะไรไม่สามารถติดต่อกันได้เวลาเราเข้าสมาธินี่เราไม่ติดต่อกับใคร จรวมเป็นสมาธินี่ปิดทวารทั้งห้าตาหูจมูกนิ้นกายทั้งตาในทั้งตานอกตาในก็ตาทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์นี่ก็ไม่ติดต่อกับใครต้องรอให้ลงมาเป็นเทพก่อนถึงจะสามารถที่จะติดต่อกันได้เวลาอยู่ในฌานเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิเราไม่ติดต่อกับใครต้องออกมามา ทิศร่างกายก่อนมาที่ตาหูจมูกนิ้วกายแล้วถึงจะสามารถติดต่อกันได้สนใจก็เหมือนกันใจก็มีร่างทิศกับร่างทิศที่รับรู้รูปเสียงกินทิศรูปเสียงกินลดทิศไดก้กับเวลาที่ไม่รับรู้เวลาเข้าไปในฌานเนี่ยจะไม่รับรู้รูปเสียงกินลดทิศต่อไปต้องรอให้ออกมาจากฌานก่อนเพราะเจ้าจึงบอกหน้าเสียดายติดต่อกันไม่ได้ ต้องรอใท่านกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ก็พระพุทธเจ้าก็ตายไปแล้วเพราะว่าเป็นเป็นมรมนี่ก็ไปเป็ น, ปนไม่ทราบเป็นพันปีหมื่นปีกวจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็คงจะกลับมาบำเพ็ญต่อแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ติดต่อกับพระพุทธเจ้าหรือพระสารบางรูปก็ได้ แต่สาหรับพระพุทธเจ้ามันท่านไม่สามารถช่วยเหลือได้เท่านั้นเอง อ, อีกคําถามหนึ่งไม่รู้ว่าผ ม, ผมเนี่ยจําถูกต้องหรือไม่นะครับที่พระอาจารย์เคยเคยเทศว่าเาตัณหาสามคือการมตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาที่ไปเชื่อมโยงกับไตรภพะนะครับที่พระอาจารย์เคยเคยเทศว่าท่านเราตัดการมัตตตัณหาได้เนี่ย S <S เราก็จะวนไปเกิดเป็นรูปภปพ <S 2> <S 2> แล้วถ้าตัดภาวะตัณหาอืตัณหาที่ที่เกิดจาก อ, อลาบความอยากในลาบยศสริญเนี่ย <S <S <ๆ>ก็จะเกิดไปเป็นอรูปภปพ <S <S แต่ถ้าตัดสามตัวได้ครบเนี่ยก็จะไปเป็นภพแห่งนิพานอันนี้ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกหรือเข้าใจคาดเคลื่อนครับ <S 2> <S 2> กถ็ถูกแล้วคือตัด ถ, ถ้าตัดการมาตัณหาก็ไม่ต้องมาเกิดในการมาภพ ไปเกิดในรูปะพบกับรูปะพบรูปะพบก็เกิดจากการที่เรายังมีภาวะตัณหายังอยากมีความสุขจากรูปฌานอยู่ส่วนอรูปส่วนอรูปะพบก็เกิดจากวิภาวตัณหาความอยากที่ไม่อยากจะมีความสุขจากรูปฌานก็เข้าไปสู่อรูปฌานถ้าตัดทั้งสามตัวนี้ได้มันก็จะมันก็หมด มันก็ไม่มีเหตุที่จะเดึงให้จิตกลับไปเกิดในตายพบการมาพบก็ไม่เกิดรูปพบก็ไม่เกิดอรูปพบก็ไม่เกิดเอ อ, อย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมว่าอารูปพบก็คือพระสกิทาคามีที่จะต้องกลับมาเกิดอีกอีกครั้งหนึ่งพระสกิทาคามีเนใี่ยจะไปเกิดในอรูปรูปพบหรืออรูปพบเพราะท่านยังมีรูปราคะอรูปราคะอยู่ ความยินดีในรูปฌานในยินดีในอรูปฌานอยู่ยังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ท่านตัดการมาพบได้ตัดการมาตัณหาได้พระอนาคามีตัดได้ร้อยเรซ็นตพระสกิฎรคามีตัดได้ห้าอร์ซพระโสดาบันตัดได้ส0อร์ซก็ยังตัดไปไม่หมดพระพระพระอนาคามีตัดการมตัณหาได้หมด แต่ยังมีภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็คือยังมีความยินดีในภาวะของของรูปฌานและแล้วก็มีความไม่ยินดีในในอรูปฌานอยู่ความยินดีในรูปฌานก็ยินดีในสิ่งที่ไม่มีส่วนส่วนการที่จะตัดสั่งโย์ในส่วนของจิต ผมฟังพระอาจารย์มาหลายเที่ยวมากเรื่องสั่งยศสิทอิ์นะครับก็เนี่ไงสองตัวนี้อรูปราคะอรูปราคะเป็นความสุขภายในใจอที่เราหลงว่ามันมันเที่ยงอเป็นความสุขที่มันเราคิดว่ามันจะสุขไปตลอดแต่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เสื่อมลงไปได้แต่เราอาจจะไม่สังเกตพอมันเสื่อมเราก็เกิดความอยากไม่ให้มันเสื่อมก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาครับเราก็พยายามภาวนาจเรื่อสติให้มัน กลัมาใหม่แต่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะให้มีความสุขอย่างถาวรความสุขอย่างถาวรไม่ไมต้องทําอะไรไม่ต้องสร้างไม่ต้องรักษามันมีอยู่ของมันเองด้วยการวิธีกําจัดความอยากต่างๆเรากําจัดความอยากต่างๆความสุขที่แท้จริงที่ถาวรก็จะปรากฏขึ้นมาเองคือนิพพานก็ต้องมาละสังโยชน์ที่เหลือให้ฆ่าตัว ละความยินดีในรูปประชาณรูปประชานะการถือตัวอัตตาตัวตนละละอุทจฉาความฟุ้งซ่านของจิตที่ยังไขว่คว้าหาความสุขอยู่ไขวคว้าหานิพพานอยู่หาความสุขที่แท้จริงไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็อวิชชาไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นถูกตัวความอยากบดบังเอาไว้พอรู้ก็หยุดความอยากทั้งหมดแล้ว อุทจจะของสังโยชน์กับอุทจจะของนิวรณ์ไม่เกันไม่เหมือนกันไปเหมือนกันมันอุทจจะคืออุทจจะของของสังโยชน์นี่มันเป็นเป็นความสงบแต่เป็นความวุ่นวายใจแต่มันไม่ฟุ้งซ่านเหมือนกับสังโยชน์ของของครับไม่เหมือนกับของของนิวรณ์นิวรน์นี่มันฟุ้งซ่า น, นกินไม่ได้นอนไม่ได้หลับข้าศักดิ์ข้าสายแบบว่าต้องเสหา ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เหมืนคนติดสุราติดเที่ยวเงี้ยเนี่ยมันก็จะฟุง้งซ่านแต่นี่มันติดในทางปัญญาคือปัญญาพยายามค้นคว้าหาวิธีที่จะนําไปสู่นิพพานมันอยู่ตรงไหนมันก็เลยเพียรพยายามพิจารณาหาหาเหตุหาผลจกนกระทั่งเลยเถิดไม่มีเวลาพักผ่อนหลับนอน วิธีแก้วเจาะนี้ก็คือให้หยุดพิจารณาปัญญาเมื่อรู้สึกว่ามันฟุง้งพิจารณาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหตุได้ผลก็ให้หยุดก่อนแล้วให้ภักจิตในสมาธิก่อนทำใจให้สงบแต่ถ้าพักนานๆก็จะไปติดในรูปราคะอรูปราคะอีกมันก็ต้องรู้จักต้องแบ่งว่าพักจิตเพื่อให้มีกําลังพอออกมาก็ต้องพิจารณาทางปัญญาต่อเพื่อกาจัดามานะภาพ เพื่อกำจัดอวิชชาต่อไปกับนามัสการพระอาจารย์ครับเขาถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสมาธิภาวนาครับคือผมฝึกภาวนามาได้สักระยะหนึ่งก็คือคือทดลองใช้ทั้งคำบริกรรมแล้วก็อนัปปานัสตินะครับก็ทดลองดูว่าดูว่าในการนั่งสมาธิในแต่ละครั้งเนี่ย ผลผลเนี้ยเป็นยังไงแล้วก็ลองสังเกตตัวเองในสมาธิด้วยแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งคือรู้สึกว่านั่งแล้วรู้สึกว่าตัวเบาตัวเบากายเบาแบบตัวยืดขึ้นแล้วก็เบาเบาไปหมดเลยครับแล้วสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าจิตเข้าสู่ในสภาวะที่แบบสงบสงบแบบว่าหาคาพูดไปจับไม่ได้คับว่าสภาวะนั้นคืออะไรอ่า ก็ก็พอออกแล้วก็เป็นนิ่งสงบนิ่งอยู่อย่างนั้นอ่ะสักพักหนึ่งก็ถอนออกมาทีนี้มาพิจารณาทีหลังก็เดิเข้าใจว่าน่าจะเป็นสภาวะของจิตรวมอทีนี้ผมก็ภาวนาต่อมาเรื่อยๆก็ก็ก็ภาวนาแล้วก็จะเจออาการเดิมซ้ำๆแต่ว่ายังยังไม่สามารถจะเข้าถึงสภาวะนั้นได้ครั้งหนึ่งเลยอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์นะครับ ก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความอยากของเราที่จะกลับกาไปในสภาวะนั้นโดยที่เราไม่ได้เจริญเหตุที่ทำให้มันเข้าไปในสภาวะนั้นเราก็ต้องกลับมาที่เหตุว่าเราทำอย่างไรคราวที่แล้วมันถึงเข้าไปแต่อยากเข้าไปด้วยความอยากเข้าไปมันไม่เข้าเองมันต้องมีเหตุถ้าเรามีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมอย่างต่อเนื่องมันก็จะเข้าไปเองแต่มันจะไม่เข้าถ้าเรานั่งด้วยความอยากอยากให้มันเข้า ใหเวลาเรานั่งทุกครั้งต้องลืมลืมผลที่เราเคยได้รับในอดีตเพื่อเราจะได้ไม่ไปอยากแล้วก็ให้เราเจริญสติต่อไปพุโทโธต่อไปเรื่องดูลมหายใจต่อไปถ้าจิตแปอนาคตคือจิตแปอดีตคิดถึงความอยากคิดถึงผลที่ได้มันก็จะไม่เข้าละมันต้องอยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือมีแต่พุโทโธพุธโทโธหรือลมหายใจเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะเข้าต่อไปงั้นขั้สมาธินี้ต้องหัดทาให้มันชำนาญก่อนให้มันสามารถเข้าได้ทุกครั้งก่อนทุกครั้งเวลาต้องการนั่งห้านาทีก็เข้าได้แล้วค่อยออกทางปัญญาต่อไปถ้ายังไม่ชำนาญเดี๋ยวเวลาออกทางปัญญามันจะฟุง้งฟุ้งแล้วเวลามันจะให้มันพักในสมาธิมันจะพักไม่ได้ เพราะมันจะเข้าไปไม่ได้ยังไม่ต้องรีบร้อนไปทางปัญญาะทางต้นๆ น, นี่ฝึกสติให้มากๆทั้งในขณะที่นั่งและในขณะที่ไม่ได้นั่งเวลาตื่นขึ้นมาก็จเจริญสติก่อนเลยพุโทโธพุโทโธไปควบคู่ไปกับ ก, บการทํางานต่างๆอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันอะไรไปถ้าสิ่งใดไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ แ้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหลับตานั่งสมาธินั่งให้มากนั่งให้บ่อยแล้วพอมันสงบก็พยายามรักษาสติให้มันนั่งให้ได้นานอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรเวลาสงบแล้วก็พยายามใช้ประ ส, สติครอบประครับประคองความสงบนั้นให้รู้เฉยๆไปอย่าไปให้มันคิดปรุงแต่งแล้วมันก็จะสงบได้นานขึ้นไปยิ่งนานทลายจิตก็จะมีอุเบกขามากขึ้นมีกําลังที่จะมาใช้ในการ จะรปัญญาเพื่อที่จะดับกิเลสต่อไปขออีกคำถามนะครับอาจารย์เคยอ่านในหนังสือที่หลวงตามาหาบท่านเขียนไว้ครับมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านบอกว่าจะาใช้ปัญญานำสมาธิหรือปัญญาอบรมสมาธิครับอันนี้เายกรณีพิเศษเวลาที่เรานั่งสมาธิพุทโธก็ไม่ได้ดูลมก็ยังฟุ้งอยู่เพราะไปกังวลเรื่องงานหรือเรื่องคนนั้นคนนี้ ท่านก็บอกว่าลองใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องงานเรื่องคนนั้นคนนี้ว่าเป็นตายรักว่าเขาเข า, เขาก็เป็นอย่างนั้นน่ะคนนั้นเขาก็เป็นอนิจจังเขาไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปหวังอะไรพึ่งอะไรจากเขาไม่ได้ไปควบคุมบั ง, บงคับอะไรเขาไม่ได้เขาอยากจะอยู่กับเราเขาก็อยู่เขาอยากจะไปเขาก็ไปถ้าเราไปอยากให้เขาอยู่แล้วเขาจะไปเราก็จะไม่สบายใจเราก็ใจเราก็จะไม่สงบ แต่เราพอพิจารณาว่าใจเราฟุ้งเพราะเราไปอยากให้เขาอยู่ทั้งทั้งที่เขาอยากจะไปแต่เราไม่ยอมให้เขาไปเพราะเราไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตาและเราคิดว่าเรายัางสั่งเขาได้สั่งให้เขาอยู่กับเราได้เราก็พยายามที่จะหาวิธีทำให้เขาอยู่กับเรามันก็เลยทำให้เราฟุ้งซ่านกับเรื่องนี้แต่เราพิจารณาว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงอยู่กับเราเดี๋ยวก็ต้องจากกันไม่ช้าก็เร็ว เวลาเขาจะจากกันก็ห้ามเขาไม่ได้พอคิดอย่างนี้ได้มันก็ปล่อยเรื่องนั้นไปพอปล่อยใจมันก็หายฟุง้งซ่านแล้วก็กลับมาดูลมหายใจมาพุทโธต่อได้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิ<ม>หรืออีกรูปแบบหนึ่งก็ปัญญาเวลานั่งแล้วเจ็บอย่างนี้เจ็บก็อยากจะลุก ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสอนว่าความเจ็บมันเป็นของร่างกายไม่ใช่ใจใจไม่ได้เจ็บใจเป็นเพียงผู้รู้แยกใจออกจากความเจ็บออกจากร่างกายให้ได้ปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางร่างกายอย่าไปอยากให้ความเจ็บมันหายถ้าไม่มีความอยากให้ความเจ็บมันหายใจก็จะสงบแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บนั้นได้อันนี้ก็ปัญญาอบรมสมาธิเหมือนกันให้ปัญญาพิจารณาตหลัก อขาใจหัหเข้าใจครับเออขอบพระคุณท่านวันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่สามร้อยกว่าหรือไม่ถึงวันนี้สองร้อยเก้าสิบครับ 2> 2 <90 S 1> เก้เาสิบครับแล้วก็ทางทางยูทูอยู่ที่หกสิบกคนนะฮะลดตามสัดส่วนไปตามวันถ้าวันหยุดก็ออกมาที่วัดบ้างไปที่นู่นที่นี่บ้างก็ออไลยไม่ได้ติดตามเหมือนกับตอนวันทำงาน ทถามได้เขาีต่างชาติหรือเปล่านี้่าไม่มีครับคำถามแรกจากผู้มาฟังธรรมบนบนเขานี้นะครับไม่เข้าใจว่าทำไมพระปฏิบัติ ด, ดีน่าเลื่อมใสในระดับหนึ่งต้องมาศึกเพราะสติคนเดียวเพราะว่าท่านยังไม่ได้เจริญอับสุภกรรมฐ า, านท่านอาจจะอยู่ในขั้นสมาธิอาจจะมีอิทธิฤทธิปฏิหารมีความอภิญญานี้ไม่สามารถที่จะสู้กิเลสได้ เวลากิเลสมันออกฤทธิ์นี่ต่อให้เหาะเหินเดินอากาศได้ก็ล่วงเลยล่วงลงมาได้อย่างที่มีนิทานในพุทธในในพุทธประวัติมั่งที่ท่านเล่าว่ามีดูสีรูปหนึ่งท่านเก่งทางด้านสมาธิท่านมีอภิน ญ, ญาเหาะเหินเดินอากาศได้มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นข้ารลบนับถือเวลาเข้าวางังท่านก็บินเข้าไปเหาะเหินเดินอากาศเข้าวางังวันหนึ่งเหาะผ่านทางห้องบรรทมของพระราชินี เห็นท่านเปือยกายอยู่ก็เกิดการมลลมขึ้นมาแล้วก็ไปขอเสพกรามกับท่านไงเนี่ยแล้วก็ไปร่วมเสพกันพระพระเจ้าแผ่นดินทราบที่หลังก็เสียพระไยถยเสียศรัทธาอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเอาแต่สมาธิไม่เอาทางปัญญาคือถ้าได้สมาธิชารานทางสมาธิแล้วต้องออกทางปัญญาพิจารณาอสุภะถ้าเป็นนักบวช พิจารณาร่างกายพิจารณาดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้แท้จริงแล้วไม่น่าดูน่าชมน่าดูแต่เฉพาะภายนอกอแต่พอมองเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูน่าชมมันก็จะไม่หลงมันก็จะตัดการอารมณ์ได้คำถามต่อไปจะจะอินบ็อกซ์นะคะจากคุณอุ้มครับเป็นคนคิดมากมักกังวลทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงานว่าจะไม่สําเร็จทําให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขควรแก้ไขยอย่างไรคะก็เพราะความอยากอยากให้มันสําเร็จเราก็ควรจะมองว่าผลนี่มันขึ้นอยู่ที่เหตุและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เราอาจจะควบคุมบังคับไม่ได้หมดทุกอย่างก็ขอให้เราทําให้ดีที่สุดแล้วก็ยินดีกับผลที่เราได้รับก็แล้วกันเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ แต่ถ้าเรามีความหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้แล้วพอเราไม่สามารถทำได้เราก็จะวุ่นวายใจได้คำถามจากผู้ฝากผู้ถามบนเขานะครับกระผมภาวนาเห็นสภาวะว่างๆอยู่และเห็นอารมณ์ทั้งหลายทำไมถึงตัดไม่ได้ครับและผมต้องแก้อย่างไรครับเพราะเราไม่มีสติเวลานั่งเราต้องมีสติกากับใจ ต้องมีพุโทโธพุธโทโธไปหรือมีการดูลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องไม่ต้องไปสนใจกับสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏในใจในขณะนั้นถ้าใจเราเมตมีสติจดจ่ออยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเดี๋ยวสภาวะธรรมต่างๆก็จะหายไปหมดพระสภาวะธรรมเหล่านั้นก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจนั่นแหละใจไม่สงบใจไม่มีสติคอควคอยบังคับนั่นเอง ถ้ามีสติอยู่กับลมและอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวใจก็จะว่างจะสงบทุกอย่างก็จะหายไปหมดคำถามต่อไปแต่ทาง YouTube นะครับจากคุณกัญญารัตน์ครับลูกเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ท่านเสียหมดแล้ววันแม่วันนี้ลูกทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงคนในชุมชนทุกคนให้เขาได้กินอิ่มหนำสำราญลูกได้แผกุศลให้พ่อแม่บนฟ้าให้ตายาย ด้วยอย่างนี้ท่านจะได้รับไหมคะได้ท่าถ้าท่านรอรับอยู่ถ้าท่านไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านก็ไม่ต้องรอรับส่วนบุญนี้นอกจากว่าถ้าท่านอยู่ในอบายเป็นเปรตนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะมารอรับส่วนบุญถ้าตกนรกก็ออกมารับไม่ได้ถ้าเป็นเดรัจฉานก็ไปหากินเองอันก็แล้วแต่สถานภาพของผู้รับว่าเขาอยู่ในสถานภาพที่รอรับรอยู่หรือเปล่า แต่บุญที่เราส่งไปก็ไม่สูญเปล่าเราจะอุทิศให้ผู้อื่นไปก็ได้ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไปก็ได้บุญที่เราทำนี้ก็ไม่ได้อุทิศไปทั้งหมดส่วนที่เหลือก็ยังเป็นของเราอยู่คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณภูมิครับเพื่อนบอกให้เราอนุโมทนาบุญในบุญใหญ่แต่เขาบอกเราว่าบอกไม่ได้ว่าบุญอะไรเป็นความลับเราก็อนุโมทนา ทั้งๆ ท, ที่ไม่ทราบว่าคือบุญอะไรผลแห่งบุญจะเกิดใหมเจ้าคะก็อยู่ท yeah, ี่ความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าเรามีความสุขใจไปกับการทําบุญของเขาแล้วก็ได้บุญแล้วถ้าเราไม่รู้สึกก็แสดงว่าเรายังไม่ได้บุญเพราะเราไม่รู้ว่าเขาทาบุญแบบไหนคําถามต่อไปจากคุณบริทิตาครับอาจะทําบุญอย่างไรผู้ที่ล่วงรับไปแล้วจึงจะรับได้เจ้าคะ ก็ทําทานเนี่ยทำทา น, ททานสังฆทานก็ได้ให้ขอทานให้เงินขอทานก็ได้ทําอย่างที่มาค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่ทำทานเลี้ยงคนยากคนจนก็ได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันการให้บุญที่เกิดจากการให้ไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องเป็นผู้รับต้องเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นถึงจะเกิดบุญบุญมันเกิดขึ้นได้กับกับการให้กับทุกๆคนบุญเกิดที่ใจของเรา เกิดจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปเราก็จะเกิดความสุขใจอิ่มใจอันนี้แหละคือบุญแล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขใจอิ่มใจให้แก่ผู้ที่หิวได้ผู้ที่อยู่ในอบายได้คำ ถ, ถามต่อไปจากทาง a c e b o o k Live นะครับจากคุณขวัญเรือนกราบเรียนถามค่ะว่าเราสามารถตกแต่งที่อยู่อาศัยของเราให้สวยงามน่าอยู่ได้ไหมคะ ถือว่าเป็นความอยากเป็นกิเลสไหมคะก็เป็นกิเลสเนี่ยป็นการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นต่างๆในรูปในเสียงของของสิ่งที่ที่อยู่เราอาศัยอยู่เพียงแต่รักษาให้มันสะอาดเรียบร้อยก็พอเอาความสุขจากการมานั่งสมาธิจะได้ความสุขมากกว่าเพราะความสุขที่เกิดจากการตกแต่งที่พักอาศัยมันก็สุขไม่กี่วันละเดี๋ยวมันพอมันก็ชินชามันก็เบื่อ แ้วเดี๋ยวมันก็อยากจะตกแต่งใหม่เพื่อจะได้สุขใหม่มันก็ต้องคอยตบคอยแต่งอยู่เรื่อยๆซึ่งเอาเวลาที่เราจะมาตกแต่งนี่มานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าเราจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการมาตกแต่งบ้านของเราคําถามต่อไปจากคุณสมใจครับถ้าเราไม่ได้สวดมนต์หรือนั่งสมาธิ แต่มีฟังธรรมที่พระอาจารย์ลงเทศได้บุญมากน้อยเพียงใดเจ้าคะคือมันก็บุญทางเทศเนี่ยมันได้หลายได้สองอย่างได้ความสงบเหมือนกับนั่งสมาธิก็ได้หรือได้ปัญญาได้สมาธิฏฐิได้ความรู้ที่เราจะสามารถนําเอามาใช้ดับกิเลสตัณหาได้ถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวก็ได้แต่ความสงบอย่างเดียวแต่จะไม่ได้ปัญญาคําถามต่อไปจากคุณสาลินีครับ ลูกบอกว่าเวลาทําบุญใครที่รักและเมตตาเราลูกจะอธิฐานขอให้เจอกันอีกแต่สําหรับคนที่ไม่ดีกับเราลูกจะอธิฐานว่าต่อไปขออยากได้เจอกันอีกเจอกันแค่ชาตินี้พอแล้วคิดและทำอย่างนี้ถูกไหมคะคือเราไปขอในสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันไปขอให้ฝนตกวันนี้หรือไม่ตกวันนี้มันขอไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของอนัตตาสเพ ธ, ธมานัตตา คำถามจากเขปตปฏิบัติธรรมมาในส่วนนะครับมีสี่คำถามคำถามแรกคำถามจากผู้ปฏิบัติใหม่ลูกเคยปฏิบัติแบบดูจิต ด, ดูกายระหว่างวันเลยทําให้สมาธิไม่ได้เวลาเวลาทําสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่าดิ่งไม่รู้ตัวเลยทําให้กลัวว่าจิตหลุดลูกขอความเมตตาว่าลูกควรทําอย่างไรดีเจ้าคะ่ะก็ให้มีสติให้รู้อยู่ ถ้าจิตเด่งก็ก็ให้รู้ว่ามันเด่งให้เราสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามันเด่งแล้วเข้าสู่ความสงบนิ่งเฉยก็ใช้ได้ถ้ามันเด่งแล้วก็กลับไปเจออะไรต่างๆนิมิตต่างๆก็ควรที่จะถอนจิตออกมาจะดีกว่าเพราะเราก็ยังไม่มีกําลังที่จะไปควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้การปฏิบัติสมาธินี้เราไม่ต้องการที่จะเห็นสิ่งต่างๆเราต้องการให้จิตสงบนิ่ง ให้ว่างให้สักแต่ว่ารู้ถ้ามันไม่วางไม่สักแต่ว่ารู้เราอาจจะต้องใช้พุโทโธบริกรรมไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปอย่านั่งเฉยเฉยอย่าอย่ารู้อย่าดูเฉยเฉยเพราะกําลังของเราไม่พอที่จะหยุดสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้เรารับรู้ได้ข้อสองลูกพึ่งมาปฏิบัติใหม่จะขอความเมตตา ขอในแนวทางปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะก็แนวทางแรกก็คือเนี่ยการจะรันสติสิ่งที่เราจะต้องหมั่นฝึกอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เราตื่นเนี่ยก็คือสติให้ควบคุมจิตอย่าให้ไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้หรือ ด, ด้วยการจดจ่อเฝ้าดูการกระทาของทางร่างกายร่างกายเรากาลังทาอะไรก็ให้เฝ้าดู กำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินกำลังก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายถ้าก้าวเท้าวขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวาให้รู้เท่านี้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นี่คือการควบคุมความคิดด้วยสติถ้าเรามีสติเวลาเรานั่งเราก็จะสามารถควบคุมให้จิตเฝ้าดูพุทธให้ให้ดูลมหายใจเขาออกอย่างต่อเนื่องหรือให้อยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่อง ถ้าอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่จะทําให้เราสามารถที่จะปล่อยความสุขแบบเดิมที่เราเคยแสวงหาได้ข้อสามลูกมาปฏิบัติในครั้งนี้เพื่อเป็นการปฏบิบัติบูชาตอบแทนพระคุณแม่ในการปฏิบัติในครั้งนี้ ลูกสามารถอุทิศ บ, บุญให้แม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่เจ้าคะและถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่จะได้บุญใหม่เจ้าคะบุญชนิดนี้ของจะอุทิศไม่ได้เพราะหนึ่งยังไม่เกิดเรายังไม่บรรลุธรรมยังไม่บรรลุผลถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้แม่ก็ต้องทําบุญทําทานถวายสังฆทานไปแล้วพอถวา้เสร็จแล้วบุญอันนี้ก็เกิดขึ้นที่เราสามารถอุทิศไปได้ แต่บุญที่อยากนั่งสมาธินี้มันเหมือนปลูกต้นไม้เรานั่งสมาธิเหมือนเราเริ่มปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ปั๊บดอกมันยังไม่ออกผลยังไม่ออกเพราะเรายังไม่ได้จิตยังไม่รวมเ้วก็ไม่รู้ว่าบุญแบบนี้เขาจะยินดีรับหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะพทธเจ้าก็ไม่เคยสอนให้อุทิศบุญแบบนี้ให้อุทิศบุญด้วยการทําทานข้อสี่อาการตกหลุมตกบอ่อที่หลวงพ่อเคยบอก จำเป็นต้องอยู่ในท่านั่งสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะส่วนใหญ่มันจะมันจะอยู่ในท่านั่งสมาธิถ้าอยู่ในท่าอื่นนี้มันยากมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่บังคับให้มันตกลุมตกบ่อแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเช่นบางทีเดินไปเจอของน่ากลัวจิตมันหยุดกึกขึ้นไปด้วยสติมันก็รวมได้แต่ถ้ามันเป็นปกติแล้วเวลานั่งมันจะรวมได้ง่ายกว่า ในท่าอื่นแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมาคำว่าท่าอื่นจะรวมไม่ได้ข้อห้าในขณะที่นั่งสมาธิจนลมหายใจหายไปแต่มีดวงไฟกลมๆมาประทะที่หน้าของเราแล้วก็นิ่งไปเลยแบบนี้เรียกว่าถูกทางหรือไม่เจ้าคะถ้ามันนิ่งแล้วเรารู้ว่ามันนิ่งแล้วเราก็สามารถนั่งให้จิตมันนิ่งไปนานๆได้ก็ถูกทางคำถามต่อไปจะคุณวิไลครับ ลูกถือเนสันชิกได้แต่ใจยังไม่เป็นสมาธิจะได้บุญบ้างไหมเจ้าคะถ้ายังไม่เป็นสมาธิก็ยังไม่ได้บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณหลงรู้ครับเป็นไปได้ไหมที่คนคนหนึ่งชีวิตต้องถูกบีบให้มาถือศีลตลอดชีวิตทำมาหากินอะไรก็ไม่สำเร็จพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูสาธุค่ะ <anca> ก็ชีวิตของเราแต่ละคนมันก็มีเหตุมีปัจจัยที่บีบให้เราไปในทางใดทางหนึ่งบางทีก็บีบให้เราไปทางทางโลกถ้าเราทำมาหากินเจริญก้าวหน้าเราก็จะไปทางโลก <c oughs> ถ้าเราทำมาหากินไม่เจริญก้าวหน้าก็อาจจะถูกให้เราบีบให้เราไปในทางธรรม <c oughs> หรือชีวิตไม่ประสบความสาเร็จครู <c oughs> บาอาจารย์บางรูปท่านก็มีเหตุการณ์ที่ทาให้ท่านต้องมาบวช อย่างหลวงปูขาท่านก็ไปเสียภรรยาภรรยาไปมีชู้ท่านก็เสียอกเสียใจมันก็เลยบีบให้ท่านออกบวชเพราะท่านเห็นความทุกข์จากการที่เป็นผู้ครองเรือนว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนท่านก็เลยเหมือนกับถูกบีบให้ไปในทางธรรมแต่ละคนก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่เหมือนกัน เาวิบากที่เราทำมาอาจจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวอกสักข้อนหนึ่งก็พอนะค่ ะ, <c oughs> ะงั้นคำถามจากคุณนกน้อยครับเวลานั่งสมาธิให้เพ่งไปที่ไหนเจ้าคะแล้วแต่เราถ้าเราจะใช้พุโทโธแล้วก็อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธถ้าเราจะดูลมหายใจลรวก็ดูที่ลมแถวบริเวณปลายจมูก ลมที่เข้ามาและลมที่ออกไปไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเพ่งอยู่ที่ที่ปลายจมูกตรงจุดที่ลมสัมผัสอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เอาละนะคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพณิตพิจณาไปปฏิบัต